จเจริญพรไม่บอกไม่เก่าอนะอครับก็สวัสดีครับต้องมีมารยาทไ้ยนะธรรมะสวัสดีนะครับแล้วก็ลาตีสวัสดีนะครับยันนี้ไม่เจอกันแล้วก<อ> <c oughs> ็ผมก็บวชมาอาจารย์ <c oughs> บวชมาเท่ากัน แต่อตอนจบไม่เท่ากันรูปนี้ผมก็ได้นะฮะ The One Ness เนี่ยผมก็บอกผมเห็นพระอาจารย์นำหน้าท่านป๊ป๊อ ป, ป๊ให้อาจารย์ประเสิร์ชใช่ไหมครับอย่างรวดเร็วผมก็อยากได้รูปบ้างโหพูดเหมือนกันเดะเลยนะครับพระอาจารย์ครับผมขอแบบเป็นความว่างบ้างของผมลึกซึ้งกว่านี้เยอะนี่วาดประมาณหนึ่งนาทีใช่ไหมครับของผมประมาณสักสองวินาทีฮะ วาดลูกวงกลมให้ลูกนึงเนี่ยความว่างรูปที่ได้จะเป็นความว่างคือเลยใช้ไม่ได้เลยต้องถ่ายรูปไว้ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้นะฮะก็ผมได้รู้จักอาจารย์ประเสริฐมานานแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดอาจารย์ให้ผมเอ า, มาพูดเรื่องอะไรครับ <laughs> อะไรเรื่องด เพราะว่าของผมจะเป็นธรรมะชั้นสูงมากนะครับอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้าถ้าคุยให้ฟังก็คุยถึงเรื่องทั่วๆไปที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักรับใช้พระจันทน์จันทร์นะครับหลวงพ่อเอี้ยนแล้วก็อาจารย์ประเสริฐทุกวันนี้กําลังคิดอยู่ว่าถ้าใครจะโทรหาผมเนี่ยสายมันเยอะมากวันๆที่เข้ามาผมว่าจะทําเป็นโอเปเรเตอร์ครับพระจัน์น์จันทร์กดหนึ่งนะครับ สนใจจะติดต่อชีวิตมีด้านเดียวกดสองนะครับอะไรเนี่ยอย่าตำตัวว่าตัวสําคัญกดสามนะฮะหลวงพ่อเอี้ยนกดสองนะครับอาจารย์ประเสริฐกดสามถ้าไม่รู้ก็อย่าโทรมานะครับผมไม่ไม่รู้จะรับสายยังไง ร, รับสายไม่ทันนะครับเรื่องราวแต่ละหลวงพ่อแต่ละรูปแต่ละองค์ลงถิงอาจารย์ประเสริฐเนี่ยเรื่องราวเยอะนะครับโดยเฉพาะ อ, อาจารย์ประเสริฐเนี่ยถือว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่พุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้นะครับก็คือ มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับส่วนหนึ่งนี้ผมถือว่าอาจารย์ประเสริฐเป็นท่านเป็นกัลยาณมิตรที่หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าผมรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ปีสองพันห้รอยสิบแปดเนี่ยอย่างแรกที่ผมเห็นหน้าอาจารย์ครั้งแรกเลยนะครับไม่น่าคบเลยครับจริงๆนะครับ หน้าตาสีหน้าแววตานี่จิตใจยหยาบกร้านมากนะครับโอ้โหตอนนั้นเจอปีสองพสิบปดเข้าไปที่แคชเมียร์ไปที่แคชเมียร์ด้วยกันนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับไอเราถามอะไรในแกก็จะแบบเหมือนกับอาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์ก็จะดุดุหรืออะไรเงี้ยคือแข็งมากเลยนะครับแห้งแรงแข็งมากเลยนะครับนี่คือจุดเด่นนี่คือจุดเด่นนะครับจุดเด่น เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ได้มาบวชกับอาจารย์นะครับทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนมาหมดเราเห็นคนคนหนึ่งยังก็ดูหนังเรื่องหนึ่งตอนที่ปฏิบัติธรรมกันช่วงที่ปฏิบัติธรรมกันนี่นะครับอาจารย์ประเสริฐเนี่ยท่านจะรู้จักกับพระอาจารย์นวนจันทร์มาก่อนนะครับก็คือติดตามรับใช้ครูบาอาจารย์มาเวลาคุยกันเนี่ยคนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง จะคุยเรื่องตัวตนเรื่องตัวตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราเขาพยายามจะแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับ <s> เพื่อให้รู้ว่าเราอะรู้เรื่องนะครับแต่จริงๆอย่างที่ว่านะครับธรรมชาชั้นสูงนะครับไม่รู้เรื่องจริงๆคุยอะไรก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ็บปวดในชีวิตของผมเลยนะครับคือพระอาจารย์นวลจันทร์สอนมาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิทธิ์เท่ากันแต่สิ่งที่ผมเจ็บปวดมากคือท่านไม่สอนกับผมเองท่านให้ผมมาเรียนกับอาจารย์ประเสริฐ นะครับตอนนั้นก็เลยเริ่มได้คุ้นเคยกันพอเริ่มได้คุยกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆทุกวันทุกวันศึกษาจาระจานะผมบอกอาจารย์ประเสริฐอยู่คำหนึ่งว่าตอนนั้นใกล้ๆจะศึกใกล้ๆจังบทนะครับขับลูกขับดอกใกล้ๆจะศึกแต่ผมมันจะศึกแต่อาจารย์ยังไม่ศึกทุกคนนี้อาจารย์ก็ยังไม่ศึกนะแต่ผมศึกแล้วฉันไม่ยอมศึกจะทีผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ย ผมเอาคุยอย่างนี้เนาะคุยอย่างนี้ไม่ถนัดแตเรียกอาจารย์ขออนุญาตนะครับเขาเรียกเป็นพี่แล้วกันนะครับเบอกว่าพี่ผมรู้ว่าพี่เนี่ยจะบอกวันนี้คือคําสั่งก็ไม่ใช่นะบอกว่าพี่พี่เนี่ยเป็นเหมือนปลาวานนะพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้นี่คือคําทํานายของผมมันจะมีนอสตาดามุสใช่ไหมอันนี้คือนอสตาร์ดากิตนะครับผมจะทํานายไว้ว่า พี่จะต้องออกไปช่วยคนข้างนอกตู้ปลาเนี่ยถ้าพี่ดิ้นทีเดียวมันก็แตกละพี่ต้องออกไปช่วยคนข้างนอกเพราะว่าที่นี่ไม่เหมาะกับพี่มันเล็กเกินไปเราอยู่ที่ยุพุทธเราตรงนี้ต่างสิ่งต่างนานาเนี่ยแต่อาจารย์ประเสริฐเนี่ยคือที่คุยกับผมทุกอย่างเนี่ยมันมีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยถูกจัดสรรลงมาอันนี้พูดกันเองนะคือถูกจัดสรรลงมาเพราะว่า อาจารย์รู้เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรู้เยอะมากมีความเข้าใจที่แบบแตกฉานสุดๆนะครับวันต่อวันนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นต้นไม้นี่อก โ, โตปุ๊บปุ๊บป๊บโตเร็วมากนะครับก็บคนไม่ค่อยคุยชอบคุยกับเทวดานะครับเวลาเดินผ่านที่ปฏิบัติ ท, ที่อะไรกันนี้นะครับ <c oughs> มีต้นมงต้นไม้เลยนะครับอาจารย์เขาก็เรียกผมบอกว่าสุภกิจโจอเดี๋ยวเนี่ยมาดูสิเนี่ยรู้ไหมว่าพบภูมิเทวดาเนี่ย เขาอยู่กันอย่างเงี้ยเขถึงไม่บปรู้ธรรมเขถึงมีความสุขคือตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะผมบอกว่าอาจารย์พี่ก็ขอโทษนะพี่บ้าคนเดียวเถอะผมจะไปปฏิบัติธรรมคือเราไม่รู้ว่าในสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีหลากหลายซับซ้อนซ้อนกันอยู่นะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาบอกเราเสมอแนะม้ทั้งสิ่งจริงๆนึงที่ผมเห็นในคอร์สเพียงเท่ารู้ที่ได้เคยคุย ไปแล้วนะครับก็คืออย่างเรื่องอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวอาจารย์นี่ก็คือที่มาพูดนี่ไม่ได้มาพูดเรื่องอาจารย์ผมนึกอะไรได้ผมก็จะพูดพูดไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผื่อพวกเรากลับกันไปแล้วนะครับเผื่อเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความกระตัญยูกระตะเวทีนะครับทุกๆครั้งเนี่ยผมเนี่ยจะรับใช้พระอาจารย์นนจันทร์ซึ่งกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งพระอาจารย์นนจันทร์กดหนึ่งรับใช้พระอาจารย์อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็จะได้ทําหน้าที่ตรงนั้นแต่กว่าจะถึงวันนี้เนะี่ยโอ้โหเรื่องราวมันเยอะจริงๆนะครับสิ่งนึงที่ผมเห็นผู้ชายสองคนนะครับคือพระอาจารย์กับอาจารย์เนี่ยเชื่อไหมครับที่เห็นทุกอย่างทุกอย่างมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะอาจารย์ประเสริฐพระอาจารย์อาจารย์ประเสริญกับพระอาจารย์นวลอาจารย์เนี่ยไม่ได้คุยกันไม่รู้คุยกันทางไหนนะครับมาเจอกันทีก็ สอนคนช่วยคนอย่างเดียวเลยขึ้นขึ้นพูดอะไรอย่างเดียวไม่เคยคุยไม่เคยเตรียมไม่เคยอะไรมาก่อนเลยท่า น, นเวลามีเรื่องอะไรในในแต่ละคนเนี่ยทุกคนจะไม่รู้แต่ทุกคนจะมาถามผมว่าอาจารย์ประเสริฐก็ถามผมว่าพระจันารย์เป็นไงบ้างกุฏินี่อยู่ใกล้ใกล้กันนะอย่างนี้นะครับอาจารย์นนจันทร์และหมีเป็นไงบ้างชื่อเล่นชื่อพี่หมีนะครับอาจารย์ประเสริฐหมีเป็นไงบ้างคือผมสงสัยว่าทํำไมไม่เดินมาคุยกันเองครับมันแค่สองสมเก้าเองเลยนะครับไม่คุยกันนะ มีครั้งหนึ่งพระอาจารย์ไม่สบายพระอาจารย์ไม่สบายนะครับก็แบบเหมือนกับเป็นหวัดทำให้อาจารยไอๆอาจารย์ประเสริฐก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับหลังจากที่เราบินธบาตตอนเช้าแล้วเนี่ยท่านก็ไปเดินเคาะตามกุฏินะครับเพื่อขอผลส้มเพื่อผู้ใหญ่พระก็จะบินธบาตก็จะเก็บส้มมาพิ จ, จนาส้มมาฉันด้วยนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้ไปกินเองหรือฉันเองนะครับก็ไปกองว้ที่กุฏิเต็มเลย เราจะกินส้มก็ไม่ได้กินเพราะขั้นก็มาขอไปนะครับมาขอบิณฑบาตจากเราอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปที่กุฏิอาจารย์ประเสริฐนะครับเราก็เห็นส้มเต็มเลยเราถามว่าพี่จะเก็บไว้กินตอนกลางคืนเหรอราพระเขาทานไม่ได้รู้ไหมนะครับ <laughs> ท่านอาจจะไม่รู้เพราะว่าเป็นธรรมชาตชั้นสูงอีกเหมือนกันนะครับ <laughs> ก็อิเลเกกังก็ผ่าก็ะอะไรก็เอาช้อนขุดอะไรบอกอนี่เดี๋ยวทําเองเดี๋ยวทำให้แตอนแรก็ไม่อยากทําให้หรอก <laughs> แต่พอบอกวันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปให้พระอาจารย์วุญจันทร์ท่านไม่สบาย ไม่ได้งเดี๋ยวต้องทำเองเพราะเดี๋ยวอาจารย์ได้หน้านะผมขอทําเองแล้วกันนะครับก็หันหันให้ทําให้ทําให้อาจารย์พอได้น้ําส้มแก้วหนึ่งนะครับมันก็หกเยอะใช่ไหมเพราะว่าไม่มีที่เก็บที่กวาดเลยไม่เป็นไรเราเอาหน้าอย่างเดียวที่เหลืออาจารย์ก็เช็ดถูไปกันที่มันหกๆผมก็ไปเอาหน้าเอาน้ําส้มไปให้พระอาจารย์นนจัวลอาจารย์ก็ยืนอยู่หน้ากุฏิครับเป็นบันไดสองสามขั้นเดินขึ้นบันไดสองสามขั้นก็ถึงกุฏิ ก็บอกพระอาจารย์ครับอาจารย์ประเสริดะให้เอาน้ําส้มมาท่านท่านประเสรดะมันเป็นพระก็ให้เอาน้าส้มมาถวายพระอาจารย์เห็นพระอาจารย์ไม่ค่อยสบาย <c oughs> พระอาจารย์ก็ไม่ฉันนะครับแต่ว่านั่งลงนะครับแล้วก็หยิบน้ําส้มแก้วเนี้ยอยู่ในแก้วนะครับขึ้นมานะครับแล้วท่านก็บอกว่า คุ้มแล้วนะครับที่ยอมเสียเวลากับคนคนนี้นะเพราะว่าเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปให้กับพระพุทธศาสนาขดลุกสู้เลยตอนนั้นวิ่งกลับมาบอกอาจารย์ประเสริฐลืมไปลืมรับคำชมได้หน้าวิ่งกลับมาบอกอาจารย์ประเสริฐโอ้อาจารย์คือไม่ปกติพระอาจารย์จะไม่ค่อยได้ชมอะไรหรือพูดอะไรเยอะท่านจะไม่พูดอะไรเยอะ ก็บอกอาจารย์ประเสริฐว่าพี่ครับเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้ <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่ากลับไปบอกพระอาจารย์ด้วยว่านะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะจะขอดูแลกันไปจะขอดูแลครูบาอาจาร ย, ย์ไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายพระพุทธศาสนาถ่ายทอดกันแบบนี้ครับถ่ายทอดกันแบบนี้ ถ่ายทอดกันด้วยชีวิตแต่ผ่านเรื่องราวจากผมเฉยๆนะครับ mm hmm. แล้วสิ่งที่คนสองคนทำกันอยู่ทุกวันนี้ต่างคนต่างหมุนกนรงล้อศาสนาอาจารย์ประเสริฐเนี่ยที่เห็นในรูปที่ผมทำให้เนี่ยตอนที่ทำให้อาจารย์เนี่ยรูปที่ที่ทำออกมาทำออกมาต่างๆเนี่ยทาไปบางทีก็ยิ้มบางทีก็เศร้า ที่เศร้าไม่ใช่อะไรครับเห็นทุกที่จะเห็นว่ารูปมันจะมีสถานที่ต่างๆก่อน Quran ที่จะเป็นห้องสวยๆแบบนี้อาจารย์ประเสริฐ ก, กับพระอาจารย์นรจันรไปทุกที่นะครับบางครั้งรู้สึกเศร้าใจมากเพราะตัวเองไม่สามารถช่วยอาจารย์กับอาจารย์ประเสริฐได้ไม่สามารถช่วยพระอาจารย์กับอาจารย์ประสเสรได้โดยเฉพาะเมื่อก่อนไม่มีเทปไม่มีวิดีโอที่จะเปิดบรรยายธรรมที่สารภาวนาพอเนี่ย ต้อวิ่งกับพี่วัชรล่ะเนี่ยวิ่งกันไปในป่าตรงเนี้ยแล้วอาจารย์ก็พูดบางครั้งแบบคอสเสร็จจากตรงนู้นมาที่จังหวัดอื่นมาจังหวัดนี้ที่นี่ต่อพูดอาจารย์แบบรูปเมื่อกี้ที่นอนนี่คือนอนอยู่สล า, าเนี่ยหมดเสียงไม่มีไม่มีทุกอย่างแล้วจนเขาบอกว่าพี่ผมขอโทษจริงๆตอนนั้นน้ําตาจะไหลจริงๆนะผมไม่รู้จะช่วยยังไง อาจารย์ตะก่อนนะพูดต้องพูดตั้งแต่ถ้าใครเข้าเพียงแค่รู้เรื่องแรกนะพูดตั้งแต่ทั้งวันนะครับแล้วก็ลากไปถึงสามสี่ทุ่มตอนเช้าพูดต่ออีกแล้วก็ค่อยสลับกระพาะอาจารย์พี่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกถ้าปล่อยใกิพูดเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพังพี่ต้องอดทนได้ <laughs> พี่อดทนได้คนบางคนนะครับก็บอกว่าคือบางทีที่ ที่อาจารย์ประเสริฐพูดบอกว่าครูบาอาจารย์สุดยอดในแต่ละรูปที่มาเปิดให้เราดูมาแปลพระอาจารย์อำนาจให้เราฟังซึ่งผมก็บอกตามตรงว่าผมก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับไม่เข้าใจคําพูดของครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาแปลให้เราฟังไปให้เราฟังผมก็รู้สึกทุกครั้งว่ามันง่ายดีนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเรา มันเหมือนกับ น, นักวิ่งกับคนถ่ายรูปที่วิ่งเข้าเส้นชัยอาจารย์ประเสริฐเนี่ยเหมือนคนที่วิ่งวิ่งไปกับ น, นักวิ่งด้วยเพื่อจะเก็บรูปนักวิ่งตอนวิ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นความเร็วมึงจะมันจึงต้องเร็วเท่ากันหรือเร็วกว่านะครับเพียงแต่วันนี้อาจารย์อาจารย์าารยังต้องช่วยเหลือคนอยู่นะครับอาจารย์ยังต้องช่วยเหลือคนอาจารย์ก็ทาหน้าที่อย่างเต็มที่ แล้วผมก็ดีใจที่คือทุกครั้งที่อาจารย์ประเสริฐขึ้นมาพูดเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพี่เลยมันเหมือนอาจารย์ประทับร่างทรงใหม่เข้ามาแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ที่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตอีกมุมหนึ่งของชีวิตในส่วนยีดีธรรมมันจะมีแง่คิดมุมมองของปัญญานะครับมุมมองปัญญาครับเรื่นนั้นะ มันเป็นสมองอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่มีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่มีเนีย่ยทุกวันนี้อาจารย์ได้ทำอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยที่ขึ้นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ครับหลวงพ่อกล้วยนี่อยู่ที่ขอนแก่นถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงเลยละนะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็จะติดพวกดวงต่างๆเ ต, ต, ต็มไปหมดมีหลากสีให้เลือกเลยทุกอย่าง แต่ละดวงก็จะมีความหมายชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอะไรทุกอย่างมีครั้งหนึ่งมีผมมีพระอาจารย์นวจันทร์มีพระอาจารย์นวจันทร์แล้วผมติดตามพระอาจารย์ไปแล้วก็มีอาจารย์ประเสริฐแล้วก็มีผมแลนนั้นรู้สึกจะมีแม่ไปด้วยแม่ผมไปด้วยนะครับก็หลวงพ่อกล้วยก็มีโอกาสได้คุยกันผมก็ตามเวลามีอะไรเนี่ยคือที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอายเรกตามเข้าไปทางนั้นนะครับตามเข้าไปแล้วมันอยู่ในเหตุการณ์พอดีหลวงพ่อกล้วยก็ ก็บอกกับญาติโยมที่ที่มาด้วยกันนะครับเพราะว่าให้ดูแลครูบาอาจารย์ดีๆพระอาจารย์นนจันต่อไปจะเป็นเสาหลักให้กับศาสนานะครับแล้วก็หันมามองอาจารย์ประเสริฐต้องบอกว่าคนมันจะอยู่ที่ไหนมันก็บรรลุธรรมมันจะอยู่ในป่าในเขา มันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปรู้ทาผมก็หน้าผมไปยื่นบังอาจารย์ประเสริฐทันทีหนะ <Yeah. S 1> ลวงพ่อแล้วผม <laughs> ล้วหลวงพ่อก็ไม่มองผมนะครับสแสดงว่าผมนี่ไม่อยู่ในสายตาท่านเลยครับแต่หลวงพ่อหันกลับไปมองแม่ผมบอกว่าลูกชายจะศึกเหรอ แม่บอกค้าที่บ้านจะเป็นต้องค้าขายก็ต้องสึกก็ mm hmm. บอกว่าขอลูกชายวิศว์คนได้ไหมอ่ะแม่ก็ศรัทธามากเลยตอนนั้นบอกไม่ได้ต้องขายของ mm hmm. นะครับ <laughs> แม่คงเห็นว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่านะจานได้อยู่ด้วยกันมาเนี่ยที่อาจารย์บอกผมเรื่องอัตราตัวตนเนี่ย mm hmm. ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้ผมดูเรื่องอัตตานะครับอาจารย์เนี่ยจะรู้อาจารย์ประเสริฐเนี่ยจะรู้ก่อนคือผมยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าว่าอาจารย์เป็นคนที่ถ้าพูดภาษากันเองเรียกว่าเก่งนะผมพยายามจะเก่งอย่างอาจารย์แต่ผมทำไม่ได้นะถ้าผมทำได้อาจารย์ไม่ได้เกิดแน่ๆอาจารย์เนี่ยมีครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเราก็ศึกษาเราก็ รเรียนรู้ที่จะรู้การเป็นผู้รู้ผู้รู้ตลอดวันหนึ่งอาจารย์บอกผมว่าเฮ้ยกิจพี่รู้สึกว่าการรู้ของเราที่เราเรียนรู้รู้นีน่มันเหมือนมีเทอร์มิน o เตอร์นะถ้าผมพูดผิดนะมันเหมือนเป็นเครื่องวัดเทอร์มินเตอร์อยู่ตัวหนึง่งที่มันเหมือนกับจับสัญญาณได้ว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้ มันจะต้องมีอะไรมากกว่า น, นี้ครับจากนั้นอาจารย์ก็ค่อยๆศึกษาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับให้ผมเริ่มดูเรื่องอัตราตัวตนนะครับผมก็เริ่มดูเรื่องอัตราว่าเนี่ยตัวขึ้นแล้วนะเป็นอย่างงี้นั่นนะแล้วผมไปเห็นจุดจุดหนึ่งซึ่งเห็นว่าตัวอัตราตัวตนของเราเนี่ยมีแคบทุกเวลากับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการอยากได้ดีอันนี้คือของตัวผมเอง อยากได้ดีอยากได้หน้าอยากได้รับคันชื่นชมต่างๆโดยเฉพาะผมได้รับใช้พระอาจารย์นนจันทร์มีโอกาสได้รับใช้เพราะท่านมีลูกศิษย์มากมายนะผมเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับใช้พระอาจารย์ mm hmm. ก็อยากจะดีอยากแบบให้อาจารย์ชมแบบว่าเออดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. วันนั้นผมจาได้อันนี้คือจุดที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ที่หน้าโบสถ์เลยครับหน้าโบสถ์ก็มีอาจารย์ิศยืนอยู่กับผมตอนตอนเช้าที่หน้าโบสถ์อาจารย์ก็เริ่มพูดเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็ไปเข้าเรื่องอัตตาแล้วอาจารย์ก็พูดบอกผมใหญ่เลยว่าเรื่องอัตตาเนี่ยผมเนี่ยมีกับพระอาจารย์มากคือผมเนี่ยยึดเหนี่ยวกับพระอาจารย์มากยึดยึดลึ ก, ลกยึดมั่นท่านมากเป็นอาจารย์แล้วพยายามจะทาทุกอย่าง จนเหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำทำทำทำทุกอย่างจนลืมธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวเองไปผมถึงบอกว่าการัญนามิตรเป็นส่วนที่สาคัญเราต้องพูดกันมันตรงมาตรงไปอาจารย์พูดไปเรื่อยๆจนผมร้องไห้ร้องไห้เลยครับเป็นหน้าโบสถ์แล้วก็กลางลานสนามบอลมันจะเป็นลานใหญ่ๆแล้วก็เป็นโบสถ์ข้างหลังพูดไปเรื่อย เราเห็นตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นในครูบาอาจารย์มากร้องไห้ร้องไห้อาจารย์ก็ไม่หยุดพูดไม่สงสารกันเลยครับพูดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นเนี่ยผมจึงใช้ชีวิตเป็นจึงใช้ชีวิตในการที่จะอยู่อย่างไรแล้วให้มีความสุขยังทำหน้าที่เหมือนเดิมปฏิิธรรมทาหน้าที่ทาทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ หลายละครั้งที่พี่หมีหรืออาจารย์ประเสริฐเนี่ยได้ช่วยผมไว้นะครับยังไปเกาะตานก็เหมือนกันไอเรื่องของความเด็ดเดี่ยวจิตใจที่เข้าหาเนี่ยไม่เคยมีนะถ้าไม่อยู่กับอาจารย์ประเสริฐนี่ไม่เกิดนะอาจารย์เนี่ยจะจะพาผมตอนที่เป็นคาราวาสเนี่ยก็จะพาผมนั่งรถโฟล์วิวของอาจารย์นะแล้วพาผมขี่ไปไหนขับไปไหนรู้ไหมครับ ขับขึ้นบนภูเขาขับแบบไม่รู้เส้นทางนะขับขึ้นเขาเนี่ยแล้วก็พาผมลงเหวไอ้ตรงเป็นเหวคือข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นหญ้ายสูงมากเลยนะครับถ้าตายนี่ตายหมู่เลยครัาตายสองคนเลยนะครับพาขี่ขึ้นไปแล้วผมก็กลัวมากนะแต่ว่าแตกเราอยู่ในรถแบบเกาะอาจารย์อาจาร ย, อาารย์อาจารย์แบบชอบใจมากอะเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดีดี ด, ดีตัวมันออกแล้วตัวมันออกเหมือนเลิกยายไงไม่รู้โอ้โหแบบว่าตรงนี้นะครับอาจารย์ซ่อมซ่อมให้ผมในส่วนที่ ไม่มีนะครับหรือสึกหลอตอนเป็นพระก็เหมือนกันตอนช่วงหนึ่งไปเกาะแตนไปเกาะแตนก็คือหลายๆท่านคงเคยไปใช่ไหมครับที่ในคอร์สอาจารย์พาไปเกาะแตนตอนนั้นเป็นการไปที่แบบไม่รู้อินโอยินเน่ไม่มี g ีพเลยวันหนึ่งตอนเช้านะครับก็เป็นพระตอนนั้นเป็นพระพระประเสริฐนะครับก็ตื่นขึ้นมาผมก็เป็นพระอยู่ด้วนไปเราเป็นพระใช่ไหมออกพรรษาแล้วก็ไปทุดงกันได้ไป ไปไหนไปหัวน้าไปไปไปไปที่ไหน่ะไปเกาะแตนโอ้สบายใจละรู้เป้าหมายค่อยรู้ค่อยรู้สบายใจเนี่ยจะไปที่ไหนก็เดินไปถึงก็เดินออกจากจังหวัดสุราษฎร์เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์แล้วเกาะแตนอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้ก็เดินทางมาขึ้นรถเมลอะไรเสร็จก็มาถึงจุดหนึ่งสมุยหรืออะไรสักอย่างนะครับพอเดินมาถึงเสร็จปุ๊บพี่ผมถามจริงๆริไอ้เกาะแตนเราจะไปไหนเราจะไปทําไมแล้วเราจะไปทาอะไรกันไม่รู้ แล้วพี่มีตังค์อะไม่มีแล้วจะนอนยังไงอ่ะไม่รู้แล้วที่นั่นพี่เคยไปไหมไม่เคยแล้วน้ํามันมีไหมไม่มีไฟล่ะไม่รู้ไม่ไปได้ไหมไม่ได้คือไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้เลยเลยแล้วไปถึงเกาะแตนเนี่ยนะจะอดตายเอานะครับเป็นพระเนี่ยครับไม่ได้ห่วงอาจารย์ห่วงตัวเองครับ คือไปถึงนี่คือมันก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรมีบ่อน้ําเล็กๆบ่อน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็ไปถึงก็ค่ำแล้วจะหาอะไรก็ไม่ได้มันก็มีเต็นต์มีกดก็ปกักกดปักเต็นต์กันนะครับนอนอยู่ริมริมทะเลเลยแบบชิดขอบริมทะเลเลยนะครับนะครับแล้วก็พอกลางคืนก็มองไม่เห็นกันละกลัวแทบตายนะครับอาจารย์ก็ดีหายไปภาวนาไปที่ไหนก็นไม่รู้หนีหายไปเลยปล่อยทิ้งผมไว้ เสียงใบ ไ, ปป ไ, ไม้ก็แ ก, ก๊กก็แก๊กเลยตอนนั้นเป็นพระนะพระปฏิบัติด้วยนะกลัวอย่างเงี้ยแหละครับนะครับเสียงใบ ไ, ไมก้ก็กองแก๊กเลยเนะี่ยนั่นแหละท่านก็พาไปอย่างเงี้ยพาไปเกาะแต่นไม่มีเลยเลยครับไม่มีไฟน้ําก็ไม่มีพระก็ยังไม่มีอยู่เลยอะ่ะไม่มีใครอยู่เลยตอนเช้าก็ไปบินธบาตบินธบาติอาจารย์ก็เดินบินธบาติวัดดวงแหะเพราะว่าอยู่ๆก็มีพระโผล่มาอย่างเงี้ยครับวัดดวงก็บินธบาติไปแรกๆก็ไม่มีคนใส่ เพราะว่าเดินไปไกลสักระยะเพราะก็ไม่ทราบว่าจะมีพระมานะครับก็ใช้ชีวิตแบบพระนะครับอาจารย์ก็สอนนะครับสอนให้เรียนรู้ตรงนี้นะครับเนี่นครับอาจารย์ก็ดูแลดูแลมาตลอดนะครับหลายๆครั้งที่ที่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในทางโลกนะครับผมทําอย่างไปไปกับหลวงพ่อที่จะไปญี่ปุ่นเนีย่ยหลวงพ่อบอกว่าอยากจะไปญี่ปุ่น ศึกษามาทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนหลวงพ่อพุทธทาสอยู่จะไปสวนเซนไปอะไรยังไงผมก็เอออาจารย์พี่หมีไปไหมไปญี่ปุ่นด้วยกันไหมที่เขียนหัวข้อเนี่ยครับไปเทีท่ยวญี่ปุ่นได้กันไหมไม่รู้จะไปทําไมโลกนี้วะไม่รู้โลกนี้จะไปทําไมไม่มีอะไรแล้วอะโลกนี้ไม่ถ้าพี่ไม่ไปอะไปดูแลหลวงพ่อกันถ้าพี่ไม่ไปอะทัวร์ผมมันจะเป็นทัวร์ที่ว่างจากตัวตนนะพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนไป ม, มีเงิไปแต่ว่ามีเงินไขยอยู่อย่างนี้นออกตังเองนะพี่นะครับเนี่ยอาจารย์ก็มาไปดูแลหลวงพ่อกันแล้วอย่างที่เล่าเวลาไปไปที่ไหนไปที่เมืองจีนไปที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเจออยงที่อาจารย์บอกเจอผีเมื่อวานผมรู้แล้วะว่าทําไมผีถึงโกรธอาจารย์ที่เมื่อวานอะรู้ไหมครับทําไมผีจีนถึงโกรธอาจารย์อาจารย์ไป พูดผิดหูผีเข้าอ่างจริงนะเพราะตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันอัดเข้ามาที่ตัวแล้วแบบเบี้ยวลงไปเลยแล้วแล้วก็แบบอาจารย์บอกว่าให้ ai, อะไรพวกนี้ครับมันมันไม่ใช่อาจารย์ต้องบอกหนีเฮานะเพราะเป็นผีจีนนะครับเราต้องมีมารยาทกับเขานะครับผีจีนแต่ผมไม่กลัวนะผมอยู่กับหลวงพ่อผมอยู่กับหลวงพ่อไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับ ผมเลือกละผมไปที่ไหนผมอยู่กับหลวงพ่อก่อนนะครับพูดถึงหลวงพ่อนะครับอาจารย์ประเสริฐกับหลวงพ่อเนี่ยตอนที่มีโอกาสติดตามรู้จักทุกๆอย่างในชีวิตผมเนี่ยเกิดจากพระอาจารย์นนท์อจัรทั้งหมดเลยนะครับการได้ได้รู้จักคนปฏิบัติธรรมเรีนรู้จักคนต่างๆเนี่ยรู้จักจากพระอาจารย์นั้งซื่อมีพระคุณสูงสุดในชีวิตเปรียบเส ม, มือนเป็นพ่อเลยนะครับแล้วก็มีได้โอกาสเจอขันหลวงพ่อนะครับใครๆจะว่าหลวงพ่อเป็น พระอาจารย์หรืออาจารย์เปรเสรเป็นพระอาหารเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือในความรู้สึกของผมจริงๆเนี่ยพระนอาจารย์นนจันทร์เหมือนพ่อหลวงพ่อเอี้ยนเนี่ยเหมือนอากงนี่ความรู้สึกจริงๆครับอาจารย์เสรสนี่เหมือนพี่เพราะฉะนั้นทําอะไรได้ตามอัธยาศัยมากคือมีความเป็นตัวเองแบบเต็มที่เหมือนอยู่บ้านนะครับแต่ว่าเคารระมัดระวงังแหละเพราะว่านรกกับสวรรค์ก็นิดเดียวนะครับปากเขวนะครับ นิดเดียวเองนะครับมีเส้นกั้นตรงกลางให้แล้วรู้ไว้เป็นสลิงก็คือมีสติตรงนั้นไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าเธอเรียนเกะเธอเรียนรู้ธรรมะมาเนี่ยเธอรู้อะไรบ้างอ่านตอนนั้นเราไม่รู้จักหลวงพ่อเราก็สอนธรรมะหลวงพ่อสิครับใช่ไหมครับธรรมะชั้นสูงเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อต้องรู้นะอันนี้เป็นผู้รู้อันนี้ผู้โอ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับอตกตะลุกแน่กูนะครับก็สอนหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อครับผมมีหนังสือด้วยเนี่ยครับหลวงพ่อเบสเซนเตอร์เลยนักรบหนึ่งภาษาให้หลวงพ่อครับตอนนี้หลวงพ่อวางไว้ลึกที่สุดเลยนะครับเล่มนั้นนะครับคงหาไม่เจอแล้วนหลวงพ่อก็อ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็เออเธอมาดูนี่วงจรปฏิจจสมุปบาทเลยนะครับอาจารย์ประเสริฐก็จูด้วยหลวงพ่อคุยกับผมนะครับ แต่สักพักเหมือนไม่มีผมอยู่ครับเหมือนก็คุยกันสองคนผมเพิ่งรู้ว่าวงจรปฏิจจสมุทอาจารย์นี่ก็ไล่กันใหญ่นะไล่วงจรหลวงพอ่อหลวงพ่อนี่เออเหมือนคุยกันอยู่อีกโลกหนึ่งครับไม่เกรงใจกันบ้างเลยว่ามีคนหนึ่งนั่งฟังอยู่ฟังไม่รู้เรื่องวงจรปฏิจจสมุทมีไล่ขึ้นปกติจะเวียนอย่างนี้ใช่ไหมครับมีขึ้นด้วยด้วยนะมีตัดครึ่งท่อนมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่รู้ว่าชาตินี้กูไม่รู้แน่นะครับโอ้โหยากแล้วแบบไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มามีครั้งหนึ่ง ก็รับใช้หลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดอะไรจริงๆรับใช้หลวงพ่อก็ทำเหมือนปกติตอนที่เจอใหม่ๆอาจารย์ประเสริญก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนนะก่อนจะถึงเจอหลวงพ่อเอีย้ยนเนี่ยจริงๆโอ้เรื่องมันนั่นนะอาจารย์ น, นจรจันเปิดซีดีให้ฟังอันหนึ่งก็เป็นมีพระองค์หนึ่งเทศเรื่องตื่นนะครับไม่รู้ได้ฟังเขาหรือเปล่าเรื่องตื่นตื่นตื่นเทศเสรศ็จอาจารย์ประเสริญบอกพระอาจารย์ น, นจรจันบอกว่าผมว่าพระองค์เนี้ยจบกิจละ พระจันนนท์จันบอกรู้จักพระองค์นี้ท่านเคยไปจำบรนสาอาทีนึงแล้วก็ตามหาไปหาหลวงพ่อถึงได้เจอกันไงได้เจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อเสร็จคนพัะธลุมบอกหลวงพ่อดุมากเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยใครคุยอะไรหลวงพ่อท่านจะดุเพราะว่าผมรู้แล้วล่ะที่หลวงพ่อดุเพราะว่าหลวงพ่อจะคุยแต่ธรรมะเพราะที่นี้ชาวบ้านที่ขึ้นมานะครับเขาก็มาใส่บาตรอย่างเดียวแล้วหลวงพ่อเทศตอนแรกก็นั่งเทศเนี่ยก็มีคนเยอะๆอย่างเงี้ยทีนี้หลวงพ่อจะเทศเรื่องความว่างใช่ไหมครับเทศไปเทศมาไม่มีคนฟัง นะครับนีที่มาของคําว่าความว่างคือหลวงพ่อก็จะเทศแบบนี้นะครับไม่มีคนฟังเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาคุยหลวงพ่อมาขอเงินบ้างมาอะไรบ้างหลวงพ่อก็คือไม่ได้คุยเรื่องธรรมะผมก็มีโอกาสได้รับใช้หลวงพ่อนะครับมีโอกาสได้รับใช้หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์บอกเ อ, อให้ไปดูแลหลวงพ่อสิไปช่วยหลวงพ่อเก็บป่า ก, กติตันที่พระอานจารย์รนนจัน์ประจำพรรษาผมไปรับใช้พระอาจารย์พระอาจารย์บอกไม่ต้องมารับใช้อาจารย์ไปรับไปดูแลหลวงพ่อ ก็ไม่ค่อยรู้จักก็กลัวทีแรกแต่แล้วก็อยู่ไปก็คุ้นอ้าวคุณรู้สึ ก, กเอ๊ยเหมือนที่อยู่กับอาหม่าเว้ยแบบเหมือนอยู่กับอกงาอาม่าเออแบบพก็คุยแบบว่าเต็มที่เลยเอะสนุกนวดกันสนุกคุยเรื่องสมัยสงครามไม่ได้มีอะไรเรื่องธรรมะนะครับคุยเรื่องสมัยสงครามโลกครองเมื่อก่อนเป็นยังไงกุ้งปลาตัวใหญ่ไหมเรยองเถียงรู้เลยถามหมดนะครับส่วนเรื่องจีเอไม่ต้องห่วงเทส ต, ตั้งแต่วันแรกแล้วจีเอลเาหันรือบอลในจริงแต่วันแรกแล้วตอนคืนก็ลือลิ้นชักหนังสือไม่ใช่กูนะครับมาจากคุณแม่ยินดี ผมก็ไปลือลิ้นชักหรื อ, อเก็บหมักอยู่ในนั้นนะครับไอ้ไม่หมดที่หลวงพ่อเขียนทุกวัน น, น, นะคะโอ้โหนั่นขมทรัพเลยยังเปิดดินชักมาเจอเพชดเลยแต่ <laughs> เป็นกระดาษที่ท่านเขียนข้อคําันุแม่ยินดีจารประเสร็จก็ถะดมคนมาแกะเทปเก็บจนออกมาเป็นหนังสือไม่ใช่กูเดี๋ยวมีออกมาอีกนะครับคุยกับทางอมรินแล้วนะครับก็ก็เสร็จก็ผมก็ดูแลหลวงพ่อก็ทําเหมือนปกติเหมือนที่รับใช้พระาจาร น, นจันทร์ไม่ได้คิดอะไรจริงๆ ปูที่นอนจัดกว่าดเช็ดถูให้หลวงพ่อใหม่นะครับหลวงพ่อก็บอกว่าในชีวิตเนี่ยมีคนปูที่นอนให้หลวงพ่อสองคนคนแรกนะครับก็คือโยมแม่ของหลวงพ่อคนที่สองก็คือเธอที่ปูที่นอนให้หลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อก็โทรหาคุยกันเกือบทุกวัน คุยกันเปลี่ยนทุกวนันหลวงพ่อคอยสอนตลอดแต่จริงก็คุยธรรมะบ้างไม่ได้ธรรมะบ้างแต่มันก็ปนป น, นอยู่ในนั้นนะครับปนป น, นอยู่ในนั้นเวลาไปไหนก็หลวงพ่อเนี่ยครับอย่างที่ว่านะครับผมว่าการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้ท่านได้นะครับไปที่เซี่งยงไฮ้ก็พาหลวงพ่อขึ้นไปตึกสูงกลาวว่าหลวงพ่อต้องอยู่อยู่ได้ขึ้นลิฟต์หลวงพ่อต้องดีใจแบบโอ้โหสวยแน่ยหลวงพ่อก็มองมองเข้ามาทําอะไรกันที่นี่นะ หลวงพ่อเนี่ยสูงสูงเนี่ยหลวงพ่อกลัวไหมนกมันบินสูงกว่านี้อีกกลัวอะไรเหะอเอหลวงพ่อมองไม่เหมือนเรานะครับเข้าไปในห้องหลวงพ่อเป็นไงครับหลวงพ่อจะ่พึ่งหลวงพ่อปิดตาก่อนนะอ้าเปิดเขาค่อยนี่ไงแฉงเป็นไงครับหลวงพ่อนี่เขาเรียกว่าห้อง v ีไนะครับมีดอกไม้นี่หลวงพ่อตึกหน้าหลวงพ่องงใช่ไหมไฟเปิดเองได้นะครับมันมีนี่หลวงพ่อมีน้ําตรงนี้ตรงนี้หลวงพ่อก็นั่งลงไอ้ของปลอม โอ้โูจัดอย่างดีแลวห้องบีไพของปอมมุมมองนะครับสิ่งที่หลวงพ่อเห็นนะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์มองไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอยู่ด้วยแล้วมีความสงบเย็นจริงๆนะครับการรับพลังเวลาคนในพุทธศาสนาบางทีมีหลายหลายแบบบางทีก็ไปไ ป, ไปหาครูบาอาจารย์ไปไปดูดพลังไปรับพลัง แต่สำหรับผมเนี่ยเป็นวิธีการซึมซับเวลาผมมีความสุขผมจะไม่ค่อยคิดถึงอาจารย์ประเสริฐแต่เวลาผมมีความทุกข์ผมจะคิดถึงอาจารย์ประเสริฐเวลาเบอร์ที่ผมโทรไปหาอาจารย์ประเสริฐอาจารย์โซมึงมีความสุขอีกหรือสิแน่นอนเหมือนรักษาหมอสิวเป็นสิวต้องมาหาก่อนมาคนถามผมหน้าเป็นอะไรทำไมเป็นดวงดวงก็ไปทัชมาฮารกับอาจารย์มาไปอาจารย์ตาลอราทัชมาฮานมา จากอาจารย์ที่ใครที่นี่พี่ๆหลายๆท่านมีโอกาสไปด้วยกันนะครับก็ไปทัชมาทุกคนไปเนี่ยทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ประเสริฐเนี่ยจะสอนการปฏิบัติธรรมผมยังไม่รู้ทุกวันนี้อาจารย์ไปแอบปฏิบัติตอนไหนไม่เห็นนั่งนั่งสมาธินั่งสวดม น, นไปหมกตัวเก็บตัวตรงไหนไม่มีนะครับ นั่งอยู่บนรถเขาเห็นทัชมาฮานอาจารย์ก็มองด้วยไม่ได้หลับตาภาวนาทัชมาฮานทัชมาฮานเห็นไม่มี <c oughs> ผมถามอาจารย์ว่าเวลาอาจารย์ปฏิบัติต ร, ตรงไหนตอนไหนอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์พิจารณาอยู่รู้อยู่ภายใน <c oughs> รู้อยู่ภายในนะครับดูอยู่ดูอยู่ภายในเรื่อยๆมนะีครั้งหนึ่งนะครับก็ ไปที่เนปานตอนนั้นก็ไปกับอาจารย์เหมือนกันตามอาจารย์ประเสริฐไปผมพุ่งรู้ว่าเวลาคนที่เขาละอารมณ์ได้จริงๆมันจะเหมือนกับเราเลือกทำเป็นขนาดขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปกับอาจารย์ประเสริฐแล้วก็ไปซื้อเเหนื่อยเดินเดินเหนือยก็มีั้านร้านน้ำน้ปั่น ผลไม้ที่ที่เนปาลเข า, ล <c oughs> าก็ปั่นผลไม้เขาก็ปั่นผลไม้น้ำอะไรไม่รู้ผสมผสมกันสรุปแล้วมันคือแก้วหนึ่งสามคนละแก้วมันแต่มันคิดตังเราเห็นเป็นคนต่างชาติมันคิดตังเราแก้วละประมาณสองบาทแต่กินอะไรเสร็จแล้วนะกินแล้วเสร็จสองร้อบาทแต่แต่ป้ายเนี่ยติดไว้ว่า15ลูปีหรือสิบหาบาทอะไรประมาณเนี้ครับแต่เป็นเงินไทยแล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยพอกินเสร็จอาจารย์ก็ให้ผมไปจ่ายเงิน จ่ายเงินเสร็จใช่ไหมครับก็จะเดินไปจําเฮ้ยทําไมมันแพงจังวะน้ําแค่แค่นี้อะไรเงี้ยก็ไปดูอาจารย์บอกเฮ้ยนี่มันโกงเราเนี่ยมันผิดนะมันโกงเราเนี่มันผิดมันผิดเสร็จปุ๊บผมก็โมโหคือคิดเองไม่ค่อยเป็นต้องถามอาจารย์ให้คอนเฟิร์มแน่นอนว่ามันโกงใช่ไหมที่คำนวณออกมาแล้วมันโกงใช่ไหมคือมันผิดใช่ไหมผิดแน่นอนผิดที่อยู่นี้นะเดี๋ยวผมจะไปเอาเรื่องมันนี่เดินไปแบบตั้งมั่นใจเลยครับเดินมปหาคนแขกเฮ้ยลืมไปพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เฮ้ยแล้วก็บอกว่า กงหัวพูดภาษาไทยด้วยโกงหัวอย่างนี้มันก็รู้นะประมาณมารู้นะทีนี้มันมีเพื่อนอยู่ยืนอยู่สองคนมันก็แบบอ้าวนักเลงเหรออยู่ในบ้านมันใช่ไหมมันก็แบบทาท่าจะแบบมีเรื่องเงี้ยมีเรื่องเสร็จปุ๊บเฮ้ยลืมไปเว้ยมีจานประเสริฐมาอีกคนหนึ่งผมก็ไปเรีย ก, กจานประเสริฐพี่จัดกา ร, ร, รให้หน่อยเราไปสร้างเรื่องใหมจัดการให้หน่อยพี่ก็พี่จานประเสริฐก็จับเสื้อมาจับเสื้อมาเลยนะจับเสื้อนั้นมาแล้วก็พูดภาษาเกลียดกับเขาว่าอยู่ทําอย่างเงี้ยไม่ถูกต้อง ถ้าจะาำอย่างเงี้ยเอาเงินไอ้คืนมาแล้วไอ้จะพาอยู่นะไปที่ตํารวจไปไปเหมือนไปที่สอ น, อนไปที่ตํารวจว่าอยู่ว่าโกงสุดท้ายคนแขกมันก็ยอมนะยอมแล้วคืนเงินให้มีข้อสงสัยอยู่อย่างเดียวอะพี่รู้ด้วยว่าสอ น, อนที่นี่มันมีเหรอที่อยู่เนปลาล น, นะไม่รู้่แต่พูดไว้ก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เวลาไปกับอาจารย์เนี่ยแล้วถามว่าพี่ถามจริงพี่โกรธจริ ง, จ ร, งจริงไหมพออาจารย์เดินมาเสร็จอาจก็หัวเราะบอกเนี่ยเหมือนนางเหมือนนางอะไรที่ วิสาขาหรือนางอะไรที่บาทเดียวที่ไปเคาะระครังนะีความยุติธรรมความคุณธรรมยังต้องดํารงคงอยู่นะครับไม่ได้ต้องการให้เขามาเอาเปรียบเรานะครับอย่างเงี้ยไปกับอาจารย์นะสอนเรื่องการปฏิบัติต่างๆอยู่กับอาจารย์ก็ได้เรื่องการปฏิบัติได้เรื่องอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะครับความเข้าใจตั้งมั่นขึ้นมาต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าแต่ลองรู้ลมสิ รูลมที่ที่สอนพวกเรานะครับไหนลองไปรู้ลมมาสักหนึ่งอาทิตย์ซิว่าไหนลองรู้แล้วละลองรู้ลมสิรู้แล้วละเรารูลล้ลมซิผมบอกออมันมันจะรู้ไปทําไมอะ่ะอาจารย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารู้ลมเถียงอีกไงนะเพราะว่าผู้มีปัญญาเชื่อใครไม่ได้ง่ายๆนะครับเชื่อใครไม่ได้ง่ายๆเวลาอาจารย์สอนพวกเราทุกอย่างนะครับพอดูวีดีโอดออูผู้หญิง อ, อ ที่ใส่กล่องกระดาษอย่างเมื่อวานเนี่ยแล้วไหลลงไปในเนื้อเรื่องหรือเปล่าหรือเปิดคลิปวิดีโอให้ดูอะไรต่างๆสักาพากักอาจารย์ก็เคาะระคังมั่งตอนนั่งนั่งสมาธิหรือสกาาะอกพับให้รู้ลมพวกเราก็โชกขึ้นมาทีนึง <S <S เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่โชคน้ํามันเครื่องขึ้นมาทีหนึ่งนะครับโชกขึ้นมาที <S <S <ๆ>แล้วอาจารย์ก็พูดไปในส่วนของเรื่องอื่นแต่ในเชิงของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องการรู้ลมเป็นอะไรที่ต้องขยายความ เรื่องการรู้ลมเป็นอะไรที่ต้องขยายความมากมากตั้งแต่อาจารย์ประเสริฐให้ผมรู้ลมแล้วก็รู้ลมมาเรื่อยๆเนี่ยเอาตัวผมนะครับตัวผมเองรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องอยายะมัคมีองแปดเนี่ยเริ่มต้นจากการรู้ลมจริงๆความตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้เขว่าความตั้งมั่นคืออะไรแต่เรารู้แน่ๆว่าเราไม่ถลำ เมื่อผมเรียนรู้ลมจากอาจารย์ไปเรื่อยๆทุกทีทุกทีทุกทีทกททกทผมก็เริ่มคุยกับอาจารย์ประเสริฐว่าอาจารย์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมว่าเวลาเรารู้ลมไปเรื่อยๆเนี่ยว่าเรามีเนื้อเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยเรื่องมันหายไปครึ่งหนึง่งเราหายใจออกอีกทีนึงเนี่ยเรื่องไม่มีหายใจเข้าอีกทีนึงเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกหายใจออกอีกทีหนึ่งเนี่ย เหลือแค่ความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่กูแบบที่หลวงพ่อเย็นนั่นเรื่องของการรู้ลมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องขยายความแล้วเป็นเรื่องที่พูดตรงๆว่าซีเรียสซีเรียสจริงๆแรกๆผมทํานีผมรู้สึกติดๆขัดๆเพราะว่าพอมันเคยฝึกที่เราจะรู้มาพอเรามารู้ลมมันจะดึงกลับไปเราไปที่รู้อีกพอดึงเรากลับไปที่รู้อีกใช่การที่เรารู้เรารู้สภาวะธรรมเรารู้ความรู้สึกเรารู้เนื้อเรื่องจริงๆ แล้วเราก็ตั้งมาจริงๆแต่มันจะมีคำว่าแต่แต่ได้นานเท่าไหร่สักพักก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นแล้วก็จบด้วยความเศร้าเหมือนเดิมคือเป็นสุขทุกข์ถามว่าสุขเศร้าหรอเศร้าเพราะสุขก็หนักหนักยังไงอะ่ะเพราะว่าอยากได้สุขอีกอยากสำเร็จอีกอยากได้อย่างหวังอีกแต่คำว่ารู้ลมที่ผมเรียนรู้จากอาจารย์อาจารย์บอกว่านี่คือเขตลับพิชาน มันเหมือนกับเราตัดคําว่าหนอเวลาเราเดินของคุณแม่ดรสตรีกินชัยมันเป็นคําว่าหนอตรงนี้มันคือเครื่องกองน้ําผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่มันคือเครื่องกองน้ําอย่างดีจะรู้ลมเร็วก็ได้รู้ลมช้าก็ได้โกรธเขาเยอะหน่อยก็รู้เร็วเร็วหน่อยพอทําไปเรื่อยๆนะครับที่อาจารย์บอกผมบอกอาจารย์สุดท้ายแล้วไม่ต้องใช้รู้ลมใช่ไหมใจมันรับทราบ ตั้งมันเองเห็นความไม่ใช่กูเองใช่ไหมเห็นตัวตนรูปนามรูปนามเกิดเองเลยนะครับ mm hmm. ผมเนี่ยพยายามจะแยกรูปนามมานานแล้ว mm hmm. ต้องแบบตั้งมั่นจริงๆหรือนั่งสมาธิหรือแบบจังหวะป๊อกจริงๆเนี่ยถึงจะแบบรูปนามแยกแต่รู้ลมเนี่ยครับเดินๆ เ, เมื่อสองสามวันคุยอาจารย์อยู่ว่าเมื่อประมาณสี่วันทนี่อยู่กัพระอาจารย์ mm hmm. อยู่เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์จะจะดีมากอยู่กับพระอาจารย์ก็รับใช้พระอาจารย์อยู่ mm hmm. นะครับพอดีพระอาจารย์ก็ ทำธุระในห้องผมก็เดินจงกรมที่โรงเรยนยินดีวิตย์นะครอาจารย์ก็เดินจงกรมเดินหน้าไปเดินถอยหลังไปก็รู้ลมไปนะเดินเดินเล่นๆธรรมดาไม่ได้อะไรแต่ก็คือรู้รู้สึกลมหายใจไปอยู่กับกายบ้างกายบ้างลมหายใจบ้างที่ส้นเท้าบ้างเดินถอยหลังเดินจงกรมแบบถอยหลังเดินถอยหลังปุ๊บตัวเดินความรู้สึกแยกออกมาเลยครับเห็นเห็นเลยครับความรู้สึกแยกออกมาทุกทีเวลาเราฝึกรู้เนี่ยจะดีใจ ดีใจตกใจอะไรก็แล้วแต่เห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่เราออกมาในความรู้สึกที่กายใจไม่เช่ราราแยกออกมาเสร็จปุ๊บในความรู้สึกของที่ถูกแยกมาก็มีผู้ดูกับผู้รู้อีกถ้าถึงตรงนี้ก็ดีใจละมีผู้ดูผู้ถูกดูพยายามจะอธิบายให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกอย่าพูดให้ยากมีเรียกว่าสตินะครับมีสติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกออกมา พอเราตั้งมั่นรู้สึกตอนนั้นตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันแต่มีความรู้สึกว่ามันคือมันเขี่ยเนื่องกันคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็กลับมาที่ลมหายใจเป็นวิหารธรรมอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ท่องว่าลมหายใจแต่ก็คือปล่อยเข้าเลยปล่อยให้เขาหายใจเองพอฟื้เข้าปุ๊บเห็นคนใส่ชุดไอ้มงสีดําแอบอยู่ในที่มืดเหมือนชุดนินจานะครับปกติเราเราดูความรู้สึกเนี่ยเราจะเป็นตั้งมั่นและผู้ดูความรู้สึกสักพักหนึ่งอย่างที่บอก ถ้าในเรื่องมันแรงหรือมีความเป็นตัวตนหรือความผูกพันมากก็จะไหลเข้าไปอันนี้ไม่เข้าพอเรารวบรวมปุบถอนออกมาอีกทีนึงถอนออกมาอีกทีหนึ่ ง, ท, งทีนี้มันพลวดขึ้นมาเลยไอตัวตนไอนินจาฮาโตรีที่มันชอบแอบๆ อ, อยู่ในที่มืดมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นปุ๊บแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็แอบเข้าไปในที่มืดใหม่ในในความรู้สึกในสิ่งที่เหมือนกับที่เราเห็นในสมองมันเป็นแบบนั้นก็เลยมาคุยกับอาจารย์ว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับเราได้ เห็นอวิชชาแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ก็คือคุยกันแบบคุยให้พี่ฟังเนี่ยมันเหมือนเห็นอวิชชาอาวิชชาเนี่ยเวลาเราถึงจุดที่เราคิดว่ามันดีหรือการปฏิบัติที่มันดีหรือเราจะนั่งสมาธินิ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่เคียงข้างเราเสมอเราเป็นอะไรมันเป็นด้วยนะครับเราดีใจว่าเราแยกรูปแยกนามได้เราดีใจว่าเราเห็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันเป็นด้วยมันเห็นดีกับเราด้วย แต่พอเราไม่เอาด้วยคือเราเราอะไรเราไม่เอาตลอดรู้ลมละไว้นี่คือเอาแค่สองข้อนี้รู้ลมละไว้เนี่ยถ้ารู้ลมละละไว้ได้จริงอ่ะมันจะไม่ไหลแล้วไม่ข้ามควรเองพอรู้ลมทิ้งอีกมันถึงพอทิ้งรอบนั้นถึงได้เห็นเอ็นินจานิโผล่ขึ้นมาคราวนี้เห็นเลยว่าไอเนี่ยแหละเป็นคนพูดเป็นคนพูดเป็นคนกำลังจะทำให้เราดีใจเกิดความรู้สึกที่ยินดีในการปฏิบัติชอบใจเห็นความก้าวหน้า จริงๆเราพูดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเราตัวกูเองเป็นผู้ทําสิ่งนั้นได้เองเหมือนกับเราพยายามจะตั้งไข่ที่มันล้มตลอดเวลาแล้วมันถ้ามันตั้งได้อ่ะมันประจบโอ้โหวันนี้ทําได้แต่อาจารย์บอกล้มไข่ล้มใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันถึงเห็นว่าความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามันโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นมันพูดด้วยคมันยังพูดมันยังหูปากไม่เสร็จเลยเห็นมาปุ๊บมันรีบหลบลงไปเลยความ รู้ลมตรงนี้นะครับพอรู้ปุ๊บมันง้างขึ้นมาเลยคือไม่เอาสักอย่างแล้วละแล้วทิ้งเลยนะครับถึงความรู้สึกตรงนี้ผมต้บอกว่าที่ให้รู้ลมรู้ลมรู้ลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยฝึกรู้มาตลอดลงเรียกว่าตั้งใจลงไปบวชอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าใจหลักธรรมในที่แก่นพระพุทธศาสนาสอนแล้วตัวเองก็เป็นคนฝึกรมหายใจมาตั้งแต่เด็กๆนั่งสมาธิพุทโธพุทโธแบบที่โรงเรียนสอน อะไรทุกอย่างครูบาอาจารย์ก็เอาแต่ถามว่าทําไมต้องไม่ที่จบด้วยการรู้ลมหายใจคือง่ายสุดง่ายสุดเราไม่ต้องใช้ปัญญามากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะจริงๆครับผมเพราะว่าผมคิดมันคิดไม่ออกอยู่แล้วถามกันไม่มีหยุดนะครับผมก็ใช้อย่างเงี้ยผมก็ใช้แบบความรู้สึกว่าเออรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่เรานะครับหรือบางคนอาจจะว่าเออเพียงแค่รู้แค่รู้แค่รู้รู้แล้วก็พอเรารู้แล้วก็ ขอร้องเลยนะขอร้องเลยว่าทิ้งเลยนะไม่งั้นติดอกติดใจนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่กับอินจาที่ซ่อนอยู่ะมันจะบอกว่ า, วาคุณเป็นคนที่รู้เก่งมากคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากคุณจะเป็นพระโสดาบันอีกไม่กี่วันนี้แล้วรู้ต่อไปนะครับต้องช่วยมันต้องช่วยอีกทีหนึ่งคือต้องรู้ลมรู้ลมรู้ลมลมทุกครั้งเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ ท, ทุกๆครั้งอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับจากการที่ผมปฏิบัติตั้งแต่นั้นมานี่ผมก็บอกอาจารย์ว่า พี่ตั้งแต่พี่ให้ผมทดลองมาเนี่ยเละเทหมดอันนี้เวิร์กเข้าห้องแลบอันนี้เวิร์กเวิร์เวิร์เพราะอาจารย์เวลาอาจารย์ก็พูดอะไรอาจารย์จะง่ายหมดนะอาจารย์พูดแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยวเพิ่งข้ามเดเพิ่งง่ า, า, ายไอ้ที่พูดเนี่ยมันยากนะหยุดก่อนอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะเพราะอาจารย์เป็นบรรทัดฐานมันง่ายหมดพวกผมก็ตายหมด <c oughs> มสิอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปทดลองก่อนทดลองก่อนทดลองทดลองกันนะครับจึงคอสนี้จึงเป็นคอสที่ ผมมีความรู้สึกว่าทุกๆ ท, ท่านโชคดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพธรรมก็คือเห็นพี่ๆทุกท่านมาคุยกับอาจารย์แล้วก็ก้มลงกราบอาจารย์นะผมก็กราบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุยตรงนี้ดีใจสนิทกันเป็นพี่เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังอันนั้นคือในความรู้สึกข้างในที่เหมือนกับว่าคุณเคยนะครับชาตินี้ก็เป็นชาติที่ดีที่สุดของผมแล้วนะครับชาติที่ดีที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับ ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยดูแลอยู่ตลอดนะครับคอยดูแลอยู่ตลอดคอสนี้จะงเป็นคอสที่ผมคิดว่ามันเพอร์เฟกที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอาจารย์อีกอย่างหนึ่งที่ในคอสนี้คืออาจารย์ก็ยืดในการที่จะอธิบายรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างออกไปอีกออกไปอีกบางทีผมเคยบอกอาจารย์ประเสริฐนะ พี่จะเพิ่งแก่เจ็บแล้วตายไปนะอยู่แป๊บหนึ่งกลัจริงนิมนต์หลวงพ่อเอี้ยนเนี่ยหลวงพ่อให้ทํำตลัปัดอีกแล้วเนี่ยให้ทํำตลัปัดเขียนเป็นคากรอนเอาไว้งานศพแปดอันบอกหลวงพ่อผมมาทําให้ได้ตลัปัดแต่ว่านิมนต์หลวงพ่ออยู่ก่อนหลวงพ่อก็เฉยๆนิมนต์หลวงพ่ออยู่ก่อนหลวงพ่อก็เฉยๆต้องพูดได้ครบสามครั้งนิมนต์หลวงพ่ออยู่ก่อนหลวงพ่อพระอาจารย์นนจันทร์อย่างนี้ยครับ อาจารย์ข้างในก็จะป่วยนะครับ mm. มั น, นมีมลพระอาจารย์อยู่ก่อนบางทีมองเห็นพราอาจารย์เป็นพระแก่เลยนะแก่เป็ร้อยปีอะอย่างเงี้ยเจอเรื่องพวกเนี้ยเจอเรื่องนะครับอาจารย์นนจันทร์กดหนึ่ ง, ก, งก็ฟังประวัติท่านได้เพราะเอี้ยนกดสองว่าจะทําหนังสือนะจดไว้เนี่ยจดไว้จดไว้จริงจรนะรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันการดูแลครูบาอาจารย์สามองค์ไม่เหมือนกันนะ mm. คนละสไตล์หมดเลย ครับหลวงพ่อจะเป็นอะไรที่เป็นคําโบราณอย่างเช่นคําว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่แตกเนี้ยไม่เคยได้ยินนะครับท่านหมายถึงว่าเวลาเราภาวนาไปเรื่อยแล้วเราใช้อย่างเดียวเลยแล้วเราไม่ได้ภาวนาเราก็ใช้อย่างเดียวตอนนั้นผมกำลังตั้งกิจการของเพลังเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมของกูอย่างเงี้ยครับบริษัทที่ทำกาหลวงพ่อก็เป็นห่วงอะทุกครั้งหลวงพ่อกอาจาจ็จะเป็นห่วงพระอาจารย์อาจารประเสริฐจะเป็นหะ่วงนะแล้วก็ ช่วยรู้ครูบาอาจารย์ช่วยจัดไปอินเดียเลยรนะครูบาอาจารย์ช่วยช่วยทําทุกอย่างแล้วก็พาคนไปหลไรท่านก็ช่วยเพราะว่าในทางโลกนะครับมันก็ยังต้องมีพี่พี่น้องน้องที่อยู่นั่นหลายหลายคนช่วยมาซื้อทัวร์มาไปคือทัวร์ผมมันมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเป็นทัวร์ที่ต้องช่วยเหลือตัวเองอะคนที่ไปนะครับแล้วก็นะครับแล้ว ก, <laughs> ว ก, <laughs> วก็สร้างบรรยากาศด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าไม่รู้อะไรก็มาแนะนำไกด์ด้วยนะครับมารู้มาบอกกันนะครับ น่ทุกคนพี่พี่น้องนองจริงๆครับมาช่วยกันก็คือรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่ทําให้ผมดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วผมก็ดํำรงชีวิตอยู่ก็ก็อย่างนี้นะครับก็สลับไปสลับมานะครับมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวัน2อาทิตย์ก่อนคอร์สพระจานทร์จันทร์ทับกับอาจารย์หลวงพ่อมากรุงเทพพอดีเลยนะครับทับกันพอดีเปะเลยนะครับวิ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับพระจานทร์ครับเดี๋ยวผมขออนุ ญ, ญาตพาหลวงพ่อไปหาหมอพรุ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะกลับเข้ามา นะครับก็ไปไปไาหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนหลวงพ่อคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปในคอร์ดที่ผมมาเนี่ยพี่ผมทําไงดีพี่ผมก็พูดกับอาจารย์ตรงๆเลยพี่ผมทายังไงนะครับท่านก็เป็นห่วงหลวงพ่อก็ไล่ให้ไปรับใช้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไล่ให้มารับใช้หลวงพ่อนะครับแต่ไม่มีใครสนใจผมตัวผมเองแล้วผมจะอยู่ยังไงอยู่ตรงนู้นจัุตปาการคนที่อยู่พุทธส่วนหนึ่งครับเนื้อกุปปาร์จันไม่ค่อยคุยกันนะไม่รู้เป็นไงนะครับท่านไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกัน มายถึงที่พระอาจารย์นนจันหลวงพ่อเป็นไงบ้างร่างกายเป็นยังไงบ้างแล้วหมีเป็นไงบ้างนะไปถึงหลวงพ่อแล้วอาจารย์นนจันทรสอนอะไรอาจารย์เป็นคนเยอะไหมยังไงเป็นยังไงบ้างไปถึงอาจารย์ประเสริฐแล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างหลวงพ่อเป็นไงบ้างเนี่ยครับไม่มีใครถามว่าผมเป็นยังไงบ้า ง, งนะครับพูดไปผูมาเริ่มน้อยใจนะครับเริ่มน้อยใจ <c oughs> คอทนี้อ่ะวนกลับมาคอทนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเห็นอาจารย์เนี่ย แต่หลายท่านที่อาจจะเข้ามาครั้งแรกครั้งหงครั้งสองอาจจะไม่ทราบแต่ที่ผมดูหนังเรื่องนี้มาตลอดหนังเรื่องนี้ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายบทไปเรื่อยๆในคําสอนที่อาจารย์พูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ยืดออกไปอีกยืดออกไปยืดออกไปคือฟังอาจารย์ดีๆนะที่อาจารย์ประเสริฐพูดเนี่ยผมบอกเลยเหมือนที่พระอาจารย์นนจันทร์เหมือนที่หลวงพ่อเอี้ยนสอนทั้งหมดแต่ ละเอียดกว่ามากแล้วพูดเป็นภาษาคนภาษาคาราวาศนี่คือว่านี่คือสุดยอดสุดยอดนะครับที่พูดเนี่ยคือแทบจะเรียกว่าใครแบบนั่งฟังดีแทบจะบรรลุธรรมกันในห้องนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วที่ไม่บรรลุธรรมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนกัน <laughs> นะครับอยู่กับอาจารย์เนี่ยคุยกับอาจารย์นอนได้ทุกวันทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเจอด้วยกันเนี่ย ไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะครับไม่ได้มีนอกเหลือไปไหนคุยเรื่องทำรรมาอะไรก็จดจดสักพักนึงจดมีเรื่องนี้เรื่องนี้จดจนจนถามว่าเออพี่เนี่ยเครื่องคอมพิว เ, เตอร์ของพี่เนี่ยมันมันพี่บ้าหรือเปล่าว่าพี่คิดอะไรได้มาเยอะขนาดเนี้ยชมนะนี่ชมคนบ้าอะไรคิดอะไรมาได้เยอะขนาดนี้ดีวดีนี่เป็นสิบแผ่นนะเนี่ยตั้งแต่เทพอะไรเรื่องไรเรื่องกดแห่งกรรมเรื่องอะไรเรื่องอไรมาเนี่ยจนบรรจุตรงนี้จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ย เครื่องนี้จะเต็มหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคิดอะไรมามากมายแล้วอาจารย์เนี่ยคือมีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตอนที่อาจารย์ดา่าผมเนี่ยมีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบางทีอาจารย์ไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้นะครับอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เป็นในเชิงของธรรมะเนี่ยครับผมว่าสุดละละเอียดมากๆนะครับครัสนี้ก็คือดีใจที่ที่ตัวผมเองได้มีโอกาสได้มานะครับแล้วก็ ก็ยังดูแลเรียกว่าไม่ดูได้ดูแลหรอกเป็นการณมิตรรับใช้ครูบาอาจารย์พรประวาตัวไว้นะครับให้กับอาจารย์ประเสริฐแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปเท่าที่ท่านจะให้โอกาสไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วแต่ท่านจะให้โอกาสไม่มว่าจะเป็นบริษัทที่ผมทํางานอยู่ทุกวันนี้หรืออาชีพที่ประกอบก็รัฐนาเขาเรียกว่าอะไรเอบอกไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่อินเดียที่ไปเส้นทางเดียวก็ขอให้บริษัทที่เปิดมาเนี่ยเป็นที่เหยียบ ของศา ส, สนาแล้วกันแค่นั้นเพราะว่ารู้จาว่าทา ไ, ทไมอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คือถ้าพูดถึงถ้าวันหนึ่งผมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วก็นะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนมันแคร์ๆมันอย่างนี้มันเป็นไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้มานะหลพ่อเอี้ยนพระอาจารย์อาจารย์อาจารย์เสดสมมุตินะถ้าวันหนึ่งเกิดสมมติว่าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาจริงๆนะ หรือว่านั่นจริงนะดอกเบีย้ยผมคงสูงมากใช้ใช้ดอกเบีย้ยไม่หมดแล้วหนึ่งในนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจารย์ประเสริฐเพราะทุกๆครั้งที่มีจุดเปลี่ยนชีวิตของผมเนี่ยอาจารย์ประเสริฐเป็นคนทุบทั้งนั้นเลยที่ผมบอกร้องไห้ร้องไห้เรื่องต่ตัวนั้นจังก็ทุบนะทุบจนทวนนี้ผมรับใช้พระอาจารนนย์นรัญยังไม่มีความทุกข์ใจต่อไปแล้วทุกๆท่านเวลาทุกท่านมีอะไรมาปรึกษาผมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะ ว่าไม่มีความลับสำหรับผมกับพระอาจารย์วันจันทร์หลวงพ่อเอี้ยนแล้วก็อาจารย์ประเสริฐทุกคนรู้หมดจริงๆนะครับมันเป็นความสบายใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้พระอาจารย์ทราบถึงเรื่องอาจารย์ประเสริฐเป็นยังไงกับใครที่ไหนยังไงหลวงพ่อกับใครที่ไหนยังไงแล้วก็แจ้งกับหลวงพ่อเรื่องของสองท่านนี้แล้วก็แจ้งของอาจารย์ประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องของสองท่านนี้เพราะฉะนั้นใครมาพูดอะไรกับผมทุกคนรู้หมด ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษว่าอาจจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรต่างๆแต่ก็สิ่งที่ตึกนึกไว้เสมอว่าการที่เราจะได้มาฟังทำกันหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยเป็นเด็กวัดมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์เราไซสไม่มีกัลยาณมิตรที่เป็นเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์เราไซ้์ ไม่มีคำสอนที่ถูกต้องถูกตรงก็ไปไม่รอดนะครับวันนี้เรามาได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่หากจะฝากไว้จริงๆก็คือเรื่องการรู้ลมอาจารย์ประเสริฐพูดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่รู้ลมท่านอาจจะพูดคอมไปว่าความรู้ลมแต่ขอให้เรายืดเส้นเรื่องการปฏิบัติตรงนี้ออกมาแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆชีวิตเราจะหมุนกลับ ทวนเข็มกับนาฬิกาแล้วเราจะเข้าใจที่อาจารย์พูดทุกอย่างรูปนามไม่ใช่กูทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยขออนุโมทนาครับก็ อ, อนุโมทนาด้วยขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อหมดความปรารถนาไปเบรกก่อนครับสักักหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาสวมดมนต์สั้นๆนะเชิ